ในเราคิดอะไรฉบับที่แล้วอาตมาได้อาตมาได้สาธยายถึงความเสื่อมของคนที่เสื่อมจากพุทธธรรมชัดๆก็คือเสื่อมจากธรรมะที่มีเนื้อหาพุทธแท้ๆของพุทธของพระพุทธเจ้าหรือเต็มๆก็คือเราเสื่อมจากพุทธศาสนาไปแล้วเรายังมีพุทธ เหลือติดติ่งหูอยู่เท่าไรหรือเรายังมีความเป็นพุทธเหลืออยู่เท่าที่คนโบราณท่านว่าเหลือแค่ผ้าน้อยห้อยหูหรือมันจะไม่มีผ้าน้อยเหลืออยู่เลยโดยการตรวจดูความจริงของตนของตนแต่ละคนว่าพุติของเราชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงป่านนี้นั้นได้มีชีวิตดาเนินไปมันตรงตามคำตรัส พระบรมศาสดาหรือเปล่าตรวจดูพิมิตพิจารณาถึงความเป็นอยู่เราเป็นอย่างที่ท่านตรัสนั้นจริงๆทุกๆคำแต่ละความแต่ละข้อแต่ละความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นชีวิตของเราเป็นไปตามที่ท่านว่าพระพุติตนเป็นไปสู่ความเสื่อมตรงตามที่ท่านตรัสนั้นไหมจริงไหม ตรงตามคําตรัสแต่ละข้อแต่ละคําแต่ละความจริงตามนั้นแล้วเราก็ก็นั่นแหละเราเสื่อมแน่เสื่อมไปจริงตามคําตรัสของพระพุทธองค์จริงเลยตรวจไปเลยแต่ละข้อเราเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรแค่ไหนตรงตามคําตรัสกี่ข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งขาดการเย็นเย็นพิกษุหมายความว่าไม่ได้ไปพบ ไปคาระวะภิกษุชัดๆคือไม่ได้ไปศึกษาธรรมะจากภิกษุถ้าเม้นว่าเริ่มข้อแรกก็ตรงเข้าให้แล้วนั่นคือเราเสื่อมจริงเริ่มตั้งแต่ข้อต้นเราเสื่อมคืออะไรคนที่ชื่อว่าเสื่อมนั่นคือสิ่ง ท, ที่ทรงไว้เป็นแกนชีพในตัวเรานั่นแหลเสื่อมลงเสื่อมคํานี้หมายความอย่างสาคัญคือ เป็นความตกต่ำของภาวะที่ทรงไว้เป็นแก่นชีพในตัวเรานั้นแหลเสื่อมหรือต่าลงชั่วลงเลวลงไม่เจริญขึ้นและสิ่งที่ทรงไว้เป็นแก่นชีพในตัวเราแท้ละ่ะคืออะไรสิ่งทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ก็คือทำของผู้นั้นในตัวผู้นั้นผู้นั้นทำ คือสภาวะที่ยังมียืนยันความเป็นความมีอยู่ยังมียังมีภาวะไม่สูญสิ้นไปในตัวคนแต่ละคนค่าของคนมีอยู่หรือไม่ถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็นผู้มีธรรมถึงขั้นภาวะสูงสุดได้จริงผู้นั้นก็มีค่าของความเป็นคนประจำตนแต่ละคนในวงเล็บอัตตะภาวะ ไปกับตนที่เป็นธรรมขั้นภาวะสูงสุดนั้นอยู่ค่าสูงสุดของความเป็นคนที่ว่านี้ได้แก่ธรรมขั้นวิมุตเป็นต้นซึ่งผู้มีวิมุตแล้วต่อไปก็มีอมตะเป็นที่อย่างลงในวงเล็บโอคทาหรือถึงที่สุดในวงเล็บโอคทาซึ่งผู้ใดยังมีการถือเอาในวงเล็บสมาทาน ทำขั้นอมะตะนี้เป็นเครื่องอาศัยอยู่ยังไม่ยอมปรินิพานเป็นปริโยสารในวงเล็บยังไม่ยอมตายสูญสนิทขั้นสุดท้ายก็ผู้มีธรรมภาวะสูงสุดแล้วนี่แหละคือผู้เป็นอรหันต์ส่วนผู้มีธรรมภาวะสูงสุดและจะอาศัยความเป็นธรรมอันสูงสุดนี้อยู่ยืนยาวเป็นอรหัตภาวะเป็นขั้น อันเป็นขั้นอาราหันต์อยู่ยืนยงไปอีกนานเท่านานตราบที่ท่านยังไม่ทำปรินิพานเป็นปริโยสารสำหรับตนเองก็เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตัวของท่านนี้คือสิ่งที่คนทุกคนควรมีในตนควรมีในแก่นชีพของแต่ละคนทีนี้ถ้าใช้คำว่าอธรรมก็คือสิ่งไม่ควรมีในตน ไม่ควรมีในแก่นชีพของแต่ละคนดังนั้นคำว่าอาธรรมจึงหมายความแท้จริงๆว่าในความเป็นคนไม่ควรมีสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นในตนทั้งภาวะภายนอกโดยเฉพาะภาวะภายในคือใจตนเลยก็ต้องขออธิบายแทรกไว้ตรงนี้หน่อยว่าสิ่งทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติ หรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆที่ภาษามีว่าทรรมนี้ยังมีนัยยะที่จะกําชับอีกคือต้องขอจากัดความคําว่าทรรมให้ชัดเจนอีกทีทำรรหรือธรรมะอันเป็นธรรมนิยามในที่นี้หมายเอาธาตุที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้ เป็นธาตุที่มีชีวะในตนที่เป็นสัตว์ขั้นจิตนิยามเรากำลังหมายถึงสภาวะแห่งชีพในความเป็นสัตว์ในวงเล็บจิตนิยามซึ่งเป็นสภาวะที่เหนือกว่าหรือสูงกว่าสภาวะแห่งชีพในความเป็นผีชะในวงเล็บผีชนิยามโดยเฉพาะหมายเอาสัตว์ระดับคนทีเดียวในวงเล็บไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉาน ธรรมจึงคือธาตุที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้อันเป็นสภาพที่ส่งไว้ในผู้นั้นแน่นอนแล้วที่ยังแล้วในองเล็บเนียตะจึงจะชื่อว่าสมงติเป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆอย่าลืมนะว่าขณะนี้เรากำลังหมายถึงธรรมที่มีสถานะถึงขั้นภาวะสูงสุด ภาวะแท้แท้ที่มีที่เป็นอยู่จริงในวงเล็บสัจธรรมในตัวผู้นั้นดังนั้นภาวะนี้จึงได้ชื่อว่าความจริงหรือต้นเหตุในวงเล็บประธานต้นต่อของชีพผู้นั้นผู้นั้นหรือของคนผู้นั้นผู้นั้นก็เป็นภาวะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมานั่นเองซึ่งหมายถึงสภาวะหนึ่งหนึ่ง ที่ดำรงความเป็นลักษณะของคนผู้นั้นผู้นั้นที่ดารงความเป็นลักษณะของคนนั้นผู้นั้นเฉพาะของตนเองอยู่ยังอาศัยสภาวะนั้นอยู่หรือยังไม่สูญสิ้นสลายสภาพเดิมแท้ที่เป็นตนในวงเล็บยังเป็นอัตตาหรืออัตมันอยู่ถ้าแม้นภาวะนี้ของคนผู้ใดเป็นสิ่งที่ทรงไว้เป็นเก่นชีพหรือเป็นสมบัต หรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆหรือธาตุที่เป็นองค์แห่งการหรือธาตุที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้ที่ยังเป็นธาตรู้ระดับปุทุชนในวงเล็บยังไม่ใช่ภาวะสูงสุดปุทุชนคือคนมีกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้ น, น, นก็ใช่ กิเลสโตขึ้นโตขึ้ น, นก็ใช่ในวงเล็บปุถุแปลว่าหนาโตใหญ่มากป้วนเทวีขึ้นเทวีขึ้นเทวีขึ้นทวีขึ้นปุถุชนหมายความว่าผู้ที่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงธาตุที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้เป็นธาตุที่มีชีวะในตนซึ่งเป็นขั้นซึ่งเป็นสัตว์ขั้น จิตนิยามที่ยังอวิชชาหรือยังไม่หมดสิ้นอวิชชาจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอกุศลจิตที่มันเป็นกิเลสหรือรู้แต่ยังกำจัดไม่สิน้นเพราะไม่มีปัญญาขั้นวิปัสนาญาณที่สามารถยังรู้ความเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานในวงเรบปรมัตถธรรมจึงยังมีกิเลสอยู่แน่ หรือผู้นั้นยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตที่เป็นกิเลสแม้แต่ตัวแรกในวงเล็บพ้นสักยะทิฐิอย่างทองแท้วงเล็บในวงเล็บยุนิโสอย่างถูกต้องตัวตนสภาวะแท้ในวงเล็บสัมมาชนิดที่รู้จักตัวตนตัวแท้จนรู้จัก จนรู้แจ้งรู้จริงถึงขั้นไม่มีความคล่องใจสงสัยในวงเล็บพ้นวิจิกิจชาสังโยชน์ถ้าผู้ใดมีภูมิรู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิต ท, ที่เป็นกิเลสแม้แต่ตัวแรกในวงเล็บพ้นสักยะทิฐิอย่างทองแท้ในวงเล็บยูนิโซอย่างถูกสภาวะในวงเล็บสัมมาชนิดที่ไม่มีวิจิกิจชาในวงเล็บพ้น พ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์และปฏิบัติตามขั้นของหลักเกณฑ์ในวงเล็บศีลที่ตนสมาทานกระทั่งสามารถทำให้กิเลสนั้นนั้นลดละจางคลายหรือดับลงได้นั่นคือผู้นั้นบรรลุธรรมมีภูมิธรรมขั้นพ้นสินประตะปา마าสังโยชน์ในวงเล็บพ้นสังโยชน์สาผู้ใดปฏิบัติได้สำเร็จตามหลักนี้ ถ้าเป็นขั้นต้นก็เป็นอาริยบุคคลขั้นโสดาบันถ้าปฏิบัติได้ดีสุดประเสริฐสุดหมดเกลี้ยงหมดสิ้นเกลี้ยงกิเลสในจิตตนถึงขั้นไม่เหลือเศษของอธรรมแม้แต่อาสะวะหรืออนุสัยเป็นผู้สิ้นอาสะวะหรือสิ้นอนุสัยผู้นั้นชื่อว่าอารหันต์จึงเป็นผู้เหลือแต่ธรรมแท้ๆที่บริสุทธิ์สะอาด เป็นผู้ที่จิตของท่านนั้นกิเลสหรืออธรรมไม่สามารถเกิดในจิตท่านได้อีกไม่สามารถเกิดในจิตท่านได้อีกแล้วตลอดไปนิรันด์คนผู้นิแลที่ชื่อว่าเป็นผู้มีกายเป็นธรรมหรือหรือเป็นผู้มีธรรมกายคำว่ากายหมายถึง องรวมหรือองประชุมของรูปนามองค์รวมของรูปนามนั้นคือคนที่มีจิตใจและมีสัมผัสปกติอยู่ในสังคมอันเต็มไปด้วยโลกธรรมที่มอมเมาอยู่นี่เองแต่ท่านผู้นี้มีจิตใจสะอาดแล้วจากกิเลสและสะอาดอย่างเที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนแล้วด้วยจึงชื่อว่าพรหมกายหรือธรรมกายในวงเล็บ กายคือองค์ประชุมของรูปนามที่สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสจริงซึ่งผู้ซึ่งเป็นผู้มีกายเป็นธรรมในวงเล็บกายไม่มีอาธรรมอีกแล้วตราที่ยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารธรรมกายหรือพรหมกายอันคนควรมีนี้จะต้องทรงไว้ซึ่งท่าจิตท่าจิตหรือ สิ่งทรงไว้เป็นแก่นชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆหรือท่าที่เป็นองค์แห่งการหรือท่าที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้ของผู้มีความเป็นสภาวะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในวงเล็บเอกคตาจิตดังเช่นที่กล่าวนี้เป็นไปได้ปานชนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รัสรู้สิ่งเหล่านี้โดยชอบด้วยพระองค์เองจึงนํามาประกาศให้โลกได้รู้ตามสิ่งซึ่งสิ่งทรงไว้เป็นแก่นชี้หรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราแทๆ้ๆหรือถ้าที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้ของผู้มิเหลือเศษของอธรรมแม้แต่อสุวะหรืออนุสัยเป็นผู้สิ้นอาศัย เป็นผู้สิ้นอสวะหรือสิ้นอนุัยถึงขั้นวิมุตตนี้คืออรหันต์ผู้ชื่อว่าอารหันต์นั้นเป็นผู้มีคุณวิเศษผู้บรรลุอรหันต์มีวิมุตตเป็นแก่นในวงเล็บสาระแล้วจึงเป็นผู้มีจิตอย่างลงในวงเล็บโอคาธาสู่ความเป็นอมตะซึ่งเป็นธรรมที่พระรุเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่น24ข้อห้าบมูลสูตรผู้มีธรรมหรือธรรมกายขั้นอมตะหมายความถึงความไม่ตายและเป็นคุณวิเศษในวงเล็บอุตริมนุสธรรมตามลำดับแห่งสัจธรรมซึ่งคุณวิเศษนี้มีความพิเศษลึกล้ำยิ่งอีกประเด็นหนึ่งว่าคนผู้อมตะนี้จะตายอย่างไม่เหลืออะไรเลย เป็นท้ายสุดในวงเล็บปรินิพานเป็นปริโยสารก็ตายได้ฟังแล้วก็ทำให้เข้าใจไปได้ว่าค้านแย้งกับความไม่ตายถ้าแม้หมายเอาความไม่ตายของอะไรสภาวะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสภาวะนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยปรากฏให้สัมผัสได้เป็นสามัญของความเป็นคนได้เลย แล้วหมายเอาว่าที่เรากำลังพูดถึงนี้คือความไม่ตายถ้าหมายเอาสภาวะนี้ก็ผิดเพราะขณะนี้สภาวะที่เราหมายเอานี้คือสภาวะที่ส่งไว้เป็นแกนชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราแท้ๆในองเล็บของคนหรือถ้าที่เป็นองค์แห่งการรู้ฐานหรือสิ่งที่รองรับการรู้ ในวงเล็บซึ่งเป็นธาตุจิตที่ท่งไว้ในคนที่เรียกว่าธรรมสภาวะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นี้จึงหมายเอาเอกคตาจิตของอรหันต์หมายถึงสภาวะหนึ่งของคนในตัวคนเพราะภาวะขั้นอมตะนี้เป็นคุณวิเศษในวงเล็บอุตริมนุสธรรมและเป็นธรรมในวงเล็บสิ่งที่ทรงไว้อยู่ในคน ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตนในวงเล็บสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะที่คนจะพึงได้พึงมีนี้จึงเป็นความลึกซึ้งสุดลึกล้ําในวงเล็บคำพีราเห็นตามได้ยากในวงเล็บทุทธสารู้ตรัสรู้ตามได้ยากในวงเล็บทุรณุโภธา สงบสนิทอย่างวิเศษเกินสามัญในวงเล็บสันตาสุขุมประณีดยิ่งในวงเล็บปณิตารู้ไม่ได้ด้วยตักกะในวงเล็บอตกาวจาราละเอียดขั้นนิพพานทีเดียวในวงเล็บนิปุนารู้เฉพาะบัณฑิตแท้ในวงเล็บบัณฑิตเวทนียาซึ่งจริงที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสย้ำแล้วย้ำอีกในพระไตรปิฎกเล่ม เข้อ26 30 34 38 42 44 46 47 48 49หเจิกนกระทั่งมีศาสดานับไม่ถ้วนพระองค์ที่ทรงจำนวนต่อสภาวะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นี้และเชื่อว่าเป็นความไม่ตายที่นิรันดรเรียกภาวะนี้ว่าอาตมัน ในองเล็บอัตตาที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเรียกว่าปรมาตมันซึ่งศักดิ์สิทธิ์สุดจะให้อะไรอยู่อะไรตายก็ได้รวมทั้งให้ชีวะสำคัญแก่คนภาวะแห่งชีวะนี้คือจิตอิงยานของคนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งพุทธสามารถตรัสรู้ว่า มีคุณสมบัติเป็นแก่นชีพได้ถึงขั้นมีอุปตภาควิมุตตินั่นคือผู้สัมผัสวิโมก8์ด้วยกายสำเร็จอริยบุตรอยู่สำเร็จอิริยบทอยู่สภาวะของผู้นั้นหมดสิ้นแล้วอ่าขอภาอภัยสัมฤทธอิริยบทอยู่อาสวะของผู้นั้นหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ4ี่สิบ และได้ตรัสรู้อีกว่าจิตวิ ญ, ญญาณที่ไม่เที่ยงและได้ได้ตรัสรู้อีกว่าจิตวิ ญ, ญญาณนี้ไม่เที่ยงในวงเล็บอนิจจ์เป็นทุกข์ในวงเล็บทุกขังซึ่งแท้จริงที่สุดก็คือจิตวิญญาณที่เป็นสภาวะหนึ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนในวงเล็บอนัตตาไม่ใช่ภาวะนิรันดรผู้บรรลุอรหันต์มีวิมุติเป็นแก่น์ในวงเล็บสาระแล้ว จะเป็นผู้มีจิตอย่างลงในวงเล็บโอคธาสู่ความเป็นอมตะในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อห้าบมูลสูตรผู้อมตะหมายความถึงความไม่ตายซึ่งเป็นคุณวิเศษตามลำดับแห่งสัจธรรมคุณวิเศษในวงเล็บอุตริอุสธรรมอันยิ่งใหญ่คือ จิตที่เป็นภาวะแห่งความมิตรายในวงเล็บอมะตะนี้เมื่อผู้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้จริงคุณวิเศษนี้ก็ย่อมยังลงในวงเล็บโอคธาในจิตใจของผู้นั้นแน่ต้องมึนคมตรงชัดในสภาวะธรรมให้ดีๆนะว่าสภาวะธรรมนี้คือความมิตายในวงเล็บอมะตะทางจิตอินญาณ อันมีอยู่ในความเป็นคนโดยเฉพาะที่กําลังอยู่ในร่างของคนที่ยังไม่ตายที่ยังไม่ได้ตายทางกายแตกตายไปในวงเล็บกายะสะเพทานั่นคือผู้ปฏิบัตินั่นคือผู้ปฏิบัติได้ทำความหลุดพ้นในวงเล็บวิมุติบรรลุผลสำเร็จในธรรมสูงสุดแล้วจริง จิตวิญญาณ จ, จึงจิตวิญญาณจึงนจนมีคุณวิเศษอันเป็นธรรมที่เรียกว่าอมะตะอย่างลงในองเล็บโอคตาสู่จิตตามสัจจะความไม่ตายในองเล็บอมะตะนี้ไม่ได้หมายความถึงความไม่ตายของชีวิตที่เป็นร่างกายนอกอันนับเอาองค์ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมที่ให้จิตใจอาศัยตา ย, ตายเกิดเกิดตายหมุนเวียนอยู่ในโลก แต่เป็นความนมิ่ตายของกิเลสกล่าวคือกิเลสของผู้นี้ตายกล่าวคือกิเลสของผู้นี้ได้ตายดับสิ้นหมดสนิทถาวร ย, ยั่งยืนแล้วจึงไม่มีกิเลสเกิดอีกจึงไม่มีกิเลสเกิดอีกแล้วในจิตเมื่อไม่มีเกิดอีกเลยถาวรจึงไม่มีกิเลสใดๆจะตายอยู่ในจิตอีกต่อไป นี่คือความไม่ตายที่หมายถึงในที่นี้และความวิเศษนี้มีลึกล้ำยิ่งกว่าคนผู้มีอมตะนี้จะตายทางร่างกายในวงเล็บองประชุมของรูปนามก็ตายได้ซึ่งตายครั้งนี้ตายแล้วสูญสนิทไปเลยซึ่งตายครั้งนี้ตายแล้วสูญไปเลยสนิทถาวรในวงเล็บปรินิพานกันเลยปานนั้นด้วย ตายอย่างศูนย์สนิทถาวรหรือที่เรียกตามศัพท์ว่าปรินิพานนี้เป็นการตายขั้นสุดท้ายแห่งอัตภาวะท้ายสุดเป็นปริโยสารหมายความชัดๆก็คือตายดับศูนย์สึงสุดหมดไม่เหลืออะไรกันอีกแล้วนี้ภาวะของอมตะที่เป็นเครื่องอาศัยท้ายสุดแห่งตนที่เรียกว่าอรหัตตะขั้นที่สุดคืออรหัน ผู้อมตะนี้ก็สามารถทำได้นั่นก็หมายถึงผู้มีอมตะธรรมสามารถจะตายเป็นลำดับท้ายปลายสุดสุดสุดที่ว่าปริมิพานเป็นปริโยสารในวงเล็บดับสุดท้ายที่ท้ายสุดกันเป็นที่สุดแห่งที่สุดสิ้นรอบของอวสารซึ่งในซึ่งในศาสนาพุทธนั้นรู้แจ้งจริงในทุกสรพสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตน ม่สับสนในทุกสรรพสิ่งสัพเพธรมมาอนัตตาจึงทำตนดับสูญสิ้นสุดภาวะแห่งตนในวงเล็บปรินิพานอย่างเป็นปริโยสารในวงเล็บสุดท้ายที่ท้ายสุดก็ได้ยังไม่ดับก็ได้กล่าวคืออมะตะนี้ยังไม่ตายทางร่างกายโดยอาศัยอัตตภาวะในวงเล็บอรหัตตะที่ไม่มีกิเลสอีกแล้วนั้น อยู่ช่วยทำประโยชน์ให้แก่โลกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกาณุกัมปายะอาริยธรรมที่เป็นคุณวิเศษอาริยธรรมที่เป็นคุณวิเศษที่วิเศษสุดด้วยประการชนิดท่านผู้บรรลุธรรมผ่านขั้นวิมุตเป็นอมตะแล้วนี้จะไม่ตายก็ได้จะตายสูญสนิทไปเลยโดยไม่มีโดยไม่มีร่างแห่งกายที่จะตายแล้วจะไม่เวียนวนมาเกิดอีก จะไม่เวียนวนมาเกิดมีองค์ประชุมของธาตุดินน้ำไฟลมเวียนกลับมาอีกก็ได้ท่านมีความรู้อันยิ่ง น, นี้แล้วที่สามารถจะทำปริญญนิพานเป็นปริโยสารได้แล้วทุกท่านแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสมัครใจอย่างไรซึ่งผู้อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วก็จะเห็นความลึกล้ำมีในซับซ้อนมีในยะซับซ้อนประนึ่งที่ จะทำให้สับสนหรือจะดูเป็นกลับกลอกดูเหมือนวนไปเวียนดูเหมือนวนไปวนมาจนอาจจะทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้ความจริงไร้สาระแท้ป่านนั้นกันก็ได้เพราะว่าแท้จริงแล้วเป็นความจริงที่เป็นจริงที่ยิ่งยอดประเสริฐสุดมีผู้ศึกษาจนสัมมาทิฏฐิแล้วสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และมีมายาวนานได้ถึงวันนี้กว่า 2,600 กว่าปีแล้วดังนั้นผู้สนใจก็ลองศึกษาตรวจสอบความจริงวิเศษนี้กันดูเถิดอาตมาขอเอามูลสูตรจากพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58มาแจากแจงอธิบายกันให้ชัดชัดขึ้นไปกว่านี้ดูบ้าง เริ่มแรกพระพุทธเจ้าชี้ความสําคัญให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติต้องตัง้งต้นด้วยฉันทะเป็นมูลฉันทะนั้นก็คือมีความยินดีพอใจเป็นต้นเขาในวงเล็บมูลที่สําคัญใ น, ในการปฏิบัติเป็นต้นทุนจุดแรกที่แท้ของใจในวงเล็บมูลซึ่งต้องมีก่อนอื่นนี่คือมรรสูตรข้อหนึ่ง จนกระทั่งสามารถมีการทําใจในใจในวงเล็บมนสิการเป็นหมายความว่าทําใจของตนได้ถูกต้องถ่องแท้ในวงเล็บย و นิโซตรงที่จิตตายในวงเล็บอในวงเ ล, งเ ล, งเล็บอะกุสุรจิตตายเท่ากับนิโรธจิตเกิดในวงเล็บโอปปะติกะโยนิในวงเล็บอ้อขออภัยค่ะ จิตเกิดในวงเล็บโอ o, ในวงเล็บโอ o, ปปาติกะโยนิเท่ากับกจิตเกิดในวงเล็บโอ o, ปปาติกะโยนิเท่ากับกุศลจิตเกิดซึ่งเรียกว่ามีมนสิการเป็นแดนเกิดในวงเล็บสัมภาวะเมื่อสามารถทําใจของตนให้ตายในวงเล็บดับให้เกิดในวงเล็บ อ, อุบัติโยนิได้โดยสามารถทําให้ อากุศลจิตในตนตายในวงเล็บนิพานดับสิ้นสนิทลงได้จิตตนจริงบริสุทธิ์ขึ้นจริงจิตนี้ก็เป็นจิตใหม่นี้คือการเกิดในวงเล็บชาติของจิตหรือการเกิดทางจิตใจในวงเล็บโอปปปาติกะโยนิซึ่งเกิดที่ชนิดพิเศษในวงเล็บนิพัติอภินิพัติ สามารถเกิดเป็นจิตใหม่อย่างแท้จริงจนจิตนี้ไม่มีเชื้อกิเลสเกิดตายอยู่ในจิตใจของเราอีกแล้วจึงเป็นจิตอมตะหรือที่ท่านใช้สั์ว่าโอกันติก็ดีซึ่งแปลว่าปฏิสนธิแล้วการยังลงหรือศัพที่ว่าโอคาทะก็ดีที่ท่านแปลว่ายัางลงสู่อมตะในองเล็บอมตคาะ ในวงเล็บอมะโตคทะหรืออย่างลงสู่นิพพานในวงเล็บนิพพายโนคทะล้วนคือการเกิดทางจิตใจทั้งสิน้นกุศลจิตที่เป็นการเกิดในวงเล็บชาติทางจิตใจขั้นพิเศษซึ่งเป็นโอปปัตติกะเยวนิเรียกว่าอกกนติก็ดีนิพพติก็ดีอภินิพตอภินิพติก็ดี ล้วนหมายถึงย وني โซมนสิการนี่แหละคือการทําใจในใจในวงเล็บมนสิการอย่างถูกต้องท่องแท้ในวงเล็บย وني โซจนกระทั่งลงไปทึงที่เกิดในวงเล็บยนิ ي โซสัมภวะและสามารถทําการตายการเกิดขึ้นในจิตใจได้อย่างเป็นกุศลในปรัมภธรรมได้ได้อย่างเป็นกุศลในปรัมภ ธ, ธรร ม, ร, มธธรมแท้จริง นี่คือมูลสูตรข้อ2สอาหรับมูลสูตรข้อ3นั้นยิ่งชัดเจนยิ่งเพราะจะมีสัมผัสเป็นเหตุเกิดในวงเล็บสมุทยัยหรือเหตุในวงเล็บสมุทยัยในการปฏิบัติไปสู่ผลไปเกิดผลอย่างถูกต้องตามทฤษฎีปฏิบัติของปฏิจจสมุปบาทอันเป็นแบบพุทธในวงเล็บตรวจสอบได้จากพระไตรปิฎล 16, ตั้งแต่ข้อหนึ่งไปทีเดียวซึ่งการปฏิบัติมีสัมผัสของทวานหกตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้แหละที่จะสร้างสัมมาสมาธิได้ตรงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281อในมหาจัตตารีสกสูตรนี้ที่เห็นชัดว่า สมาธิของพุทธนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิและต้องปฏิบัติด้วยมรองแปดซึ่งสมาธิเฉพาะของพุทธนี้จะต้องปฏิบัติด้วยการปฏิบัติมรเจ็ดองได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นประธานและมีสัมมาวายามะกับสัมมาสติสององทํางานร่วมช่วยประธานในงเล็บสัมมาทิฏฐิควบคุมสังวรปฏิบัติมรอีกสองค์ คือสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรวมเป็นมักเจ็ดองมีขณะลืมตาเปิดเทวานทั้งหกมีชีวิตสามัญปกตินี่เองและจะเกิดสมาธิที่เป็นสัมมาในวงเล็บสัมมาสมาธิอันเป็นสมาธิที่เป็นคุณวิเศษในวงเล็บ อ, อุตริ ม, มนุสธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะไม่ใช่การปฏิบัติให้เกิดสมาธิด้วยวิธีหลับตาเปิดด้วยวิธีหลับตาปิดทาวารทั้ง5ข้างนอกแล้วเข้าไปปฏิบัติสังวรสํารวมอินรีคือใจทวารเดียวอยู่ในภวังจนเกิดสมาธิเป็นอันขาดแต่ต้องปฏิบัติสังวรสํารวมอินรี์6ในขณะที่มีเหตุปัจจัยในองเล็บรูปนามคือกาย ครบพร้อมไปด้วยภาษะ6ที่เกิดจากการสัมผัสกันของปสัสสาทรูป5และโคจรรูป5ในวงเล็บวิสัยรูปแล้วเกิดวิญญาณ6ให้ผู้ศึกษารู้วิญญาณแท้ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ73หรือข้อ161เป็นต้นจึงชื่อว่าพร้อมด้วย อายตนะ6สัมผัสสเวทนา6ตัณหา6จึงจะรู้ครบพบ3ชาติ5เป็นการปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทบริบูรณ์ในมูลสูตรข้อ3เป็นการชี้บ่งอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติแบบพุทธต้องมีสัมผัสในวงเล็บผัสสะเป็นเหตุเกิดที่ท่านใช้คำว่าสมุทยัยในวงเล็บมีผัสสะเป็นสมุทยัย ในการปฏิบัติทีเดียวซึ่งจะไม่ใช่ซึ่งจะไม่ใช่การปฏิบัติให้เกิดสมาธิแบบหลับตาเข้าพวังก็สังวนสำรวมอินรีหกไม่ได้เพราะไม่มีทวารห้าเปิดรับวิถีบริบูรณ์ซึ่งสมาธิแบบนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิที่เกิดการเรียนรู้ครบกายวาจาใจภายนอกภายในเรียนรู้ครบรูป28 ครบนามที่เป็นจิต89หรือหนึ่งสองหรือหนึ่งยและเจตสิกห2มีภาวะจิงต้งต้งปรากฏการอยู่เป็นอภิธรรมได้ผลขั้นปรมาถ ธ, ธรรมสูงสุดสมบูรณ์จึงพูดเรื่องกายหนึ่งเล็บองค์รวมองค์ประชุมกันไม่รู้เรื่องเพราะสัญญาความเป็นกายจะต่างกันคนละความรู้ คนละความมุ่งหมายการประสบผลจึงเกิดผลต่างกันธรรมกายก็ต่างกันพรหมกายก็ต่างกันเช่นพูดถึงตายปสัสสติซึ่งหมายถึงความสงบระงับแห่งนามธรรมหรือเจตสิกในวงเล็บอันได้แก่ความสงบระงับแห่งกองเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ร่างที่เป็นกาย อันเป็นาธาตุดินน้ำไฟลมข้างนอกเลยแท้ๆเห็นไหมว่ากาหนดหมายในองเล็บสัญญาต่างกันหรือกายกรรมยตาซึ่งหมายถึงความคล่องหรือความเป็นของควรแกการงานแห่งกองเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ใช่ร่างที่เป็นดินน้ำไฟลมเลยก็เห็นต่างกันอีกนิจกายนุตุตาก็มีลักษณะต่างกัน ซึ่งหมายถึงความหัวอ่อนของกายในวงเล็บองประชุมของเจตสิกความหัวอ่อนแห่งนามธรรมคือเจตสิกก็เวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละกายก็ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมอยู่ดีดังนี้เป็นต้นเพราะการศึกษากายพิจารณากายในการปฏิบัติกับความเป็นกายขณะที่มีวิญญาณหกตั้งอยู่ให้เราได้ศึกษาพิจารณา ในองเล็บวิญญาณทีติ7กับการศึกษากายพิจารณากายในการปฏิบัติขณะที่ไม่มีวิญญาณทีติเจนั้นมันก็ต้องต่างกันแน่นอนความเป็นสัตววาด9หรือความเป็นสัตว์ทางจิตทั้งหลายย่อมต่างกันแน่นอนการพ้นสังโยชน์ในองเลพ็พ้นความเป็นสัตว์จึงต่างกันโดยเฉพาะการสัมผัสวิโมกแด้วยกาย ก็เป็นคนละเรื่องอย่างชัดเจน ส, ส, ส่วนมูลสูตรส่วนมูลสูตรข้อ4มีเวทนาเป็นที่ส่วนมูลสูตรข้อ4มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงในองเล็บสมสาาาุสรนาเมื่อมีการประชุมลงจึงเกิดเป็นองค์ประชุมหรือองค์รวมในองเล็บกายขึ้นมาให้ศึกษาผู้ศึกษาจึงศึกษากันได้ จากของจริงที่เป็นนามธรรมคือปรากฏการณ์แท้เกิดอยู่ให้พิจารณาเวทนาอันเป็นที่ประชุมลงในวงเล็บสมมสิรานานี้แหละจะสามารถพิจารณาเวทนาในวจะสามารถพิจารณาในในวงเล็บสมมสิรานานี้แหละ จะสามารถพิจารณาเวทนาในเวทนาชนิดที่มีของจริงให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงมโนปวิจารสิบในส่วนเป็นเคหะสิตะเวทนา18อันเกิดอยู่เป็นอยู่จริงชัดๆต้มๆและเมื่อสามารถปฏิบัติมีมากผลก็สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงมโนปวิจารสิที่เป็นเนขมาสิตะเวทนา18ชัดๆ ที่ยืนยันสภาวะจริงอยู่ทนโทษผู้ปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติกระทั่งบรรลุสูงสุดครบเวทนาร้อยแปได้ทัว่วมียาลรู้จักรูร้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์เทวดามารพรมอันเป็นโอปปฏติกะสัตว์ตัวแท้ต้มเพราะผู้ปฏิบัติที่เป็นไปรพร้อมร่วมกันไปได้วยกันกำกับกันในองเล็บสหคตะ ด้วยการปรุงแต่งในองเล็บสังคตะอันมีทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่อยู่ในกามาวาจรรูปาวาจรกามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิทำให้สามารถได้เรียนรู้สัมผัสของจริงครบองค์ประชุมในองเล็บกายและทำให้กาหนดรู้ได้ทั้งรูปภายนอกในองเล็บพระหิทธารูปานิ ทั้งรูปลึกไปถึงขั้นอรูปภายในในวงเล็บ อ, อัจตังอรูปสัญญีตามวิโมก8ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ2ของวิโมก8นี้เองซึ่งยืนยันความเป็นกายคือองรวมหรือองประชุมในการสัมผัสอยู่ทั้งรูปทั้งอรูปและทั้งภายนอกทั้งภายในที่เป็นไปพร้อมในวงเล็บสหคตะ จึงสา ม, มารถศึกษาพิจารณาตรวจสอบได้ทันทีต่อเนื่องกันอยู่ในขณะปฏิบัติที่มีทั้งกรมวจรภูมิทั้งที่มีจึงสามารถศึกษาพิจารณาตรวจสอบได้ทันทีต่อเนื่องกันอยู่ในขณะปฏิบัติที่มีทั้งกามาวจจรภพรูปาวจรภพ อรูปาวจรพบที่เป็นสหัคตะครบพร้อมผู้สามารถผู้ปฏิบัติสามารถพิจารณากายในกายเวทนาในเวทน า, นนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้ทั้งเป็นภาวะที่ปรากฏอยู่จริงในวงเล็บปาตุภาวะมีของจริงในวงเล็บปาตุสัจจะให้ศึกษาพิสูจน์ว่า อะไรคือตัวตนของกิเลสในวงเล็บอัตตาสามเกิดอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทำให้มันลดละได้อย่างไรดับไปได้ไนและกาจัดสิ้นไปได้แล้วหรือเหลืออีกไหมแค่ไหนหมดสิ้นจนเที่ยงแท้ในวงเล็บนิจจังยั่งยืนในวงเล็บทุวังจนแน่ใจว่านิรันต์ตลอดกาลในวงเล็บสัต ะ, ส ะ, ส ะ, สะ ไม่แปลเปลี่ยนอีกไม่ไม่แปลเปลี่ยนไปอีกแล้วในวงเล็บ อ, อวิปรินามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้แล้วในวงเล็บ อ, อสังหีรังไม่กลับกำเริบในวงเล็บ อ, อสังกุปปังเป็นที่สุดนั้นเอาอะไรเป็นการตัดสินพระพุทธเจ้าทรงให้เอาเวทนานี้เองเป็นฐานปฏิบัติและเป็นเครื่องตัดสินเมื่อมีสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารดังนั้นเราจึงต้องศึกษาสังขารก่อนกายสังขารคือองค์ประชุมขององค์รวมทั้งกายวาจาใจในวงเล็บนัจะคีตะวาทิตะโดยมีใจเป็นตัวเหตุหลักมโนปุพังคมาธรรมา วจีสังขารคือองค์รวมหรือองค์ประชุมของภาษาสุ่มเสียงสำเนียงในวงเล็บขีตะวัติตะโดยมีใจเป็นตัวเหตุหลักมโนปุพังคมาธรรมาจิตสังขารคือองค์ประชุมหรือองร์รวมที่ปรุงแต่งของจิตในจิตหรือเวทนาในเวทนากายคือองค์รวมหรือองค์ประชุมที่มีนามธรรมร่วมอยู่ด้วยเสมอเพราะ ภาวะที่เป็นกิเลสตัวแท้คือจิตเป็นนามธรรมเป็นการเกิดการดับหรือการเกิดการตายของความเป็นสัตว์จึงต้องเป็นเรื่องของสัตว์ทางจิตใจในวงเล็บสัตตาอปปัติกาภาวะใดเกิดย่อมมีภาวะนั้นๆจริงมีภาวะมีภาวะใดลดละก็ได้รู้ภาวะใดเกิด ย่อมมีภาวะนั้นๆจริงมีภาวะใดลดละก็รู้ก็เห็นภาวะจริงนั้นเมื่อภาวะนั้นดับหรือตายก็เห็นอยู่ตรงๆว่าดับว่าตายคนจะพ้นอวิชชาได้เพราะผัสสะเพราะสัมผัสภาวะนั้นๆจึงได้รู้จักภาวะนั้นและเมื่อได้เรียนรู้สัมมาทิฏฐิจริงก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงของจริง เพระมุมีเหตุปัจจัยเป็นไปพร้อมในวงเล็บสหคตะด้วยการปรุงแต่งในวงเล็บสังคตะที่มีทั้งเหตุทั้งปัจจัยที่อยู่ในกาโมาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิพระพุทธเจ้าทรงใช้เวทนาแปพระพุทธเจ้าทรงใช้เวทนาร้อยแปเป็นเครื่องศึกษา ตัดสินโดยยืนยันจาก3การคืออดีตปัจจุบันอนาคตกล่าวคือมุ่งปฏิบัติทุกปัจจุบันมีสัมผัสเป็นปัจจัยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงของจริงทั้งรูปและนามครบครันตลอดมาและได้มักได้ผลอย่างไรก็มีสัจญานกิจยานได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงตามความเป็นจริงนั้นๆมาตลอด สั่งสมผลลงเป็นส่วนอดีตในวงเล็บปุพันตาไปตามลำดับของผลธรรมที่ทำได้ในวงเล็บอวิชชาข้อที่5ตามที่ยืนยันไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม34ข้อ712ซึ่งผู้ปฏิบัติทุกปัจจุบันได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยสัจจยาน ด้วยกิจยานในสัจธรรมนานาสารพัดที่ทำสำเร็จได้ดีขึ้นดีขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นใ น, ในขณะที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นจริงว่าภาวะที่ยังมีส่วนอนาคตในวงเล็บอปรันตาอย่างม่เที่ยงอวิชาข้อที่6ตามพระไตรปิฎกเล่ม34ข้อ300้ ข้อ712ยังไม่เด็ดขาดเพราะมันยังไม่ปักมั่นมันยังไม่เที่ยงยังไม่ยั่งยืนยังไม่มีอะไรมาหักล้างได้ยังมีการกลับกำเริบได้อยู่กระทั่งมีผลตกผลึกลงในจิตมีมวลปริมาณที่มากพอ ยิ่งคุณธรรมสั่งสมคุณภาพในวงเล็บระดับของความดีงามคุณนิธิในวงเล็บคลังแห่งความดีงามคุณราสีในวงเล็บประกายแห่งความดีงามที่เปล่งให้รู้ก็ถึงขีดบริบูรณ์สมบูรณ์พออย่างแน่ใจจริงอย่างแน่ใจยิ่งมั่นใจยิ่งว่าคุณธรรมที่เป็นผลธรรมของตนนั้นเป็นตถาตาในวงเล็บ ความเป็นความจริงความแท้ซึ่งเป็นแล้วเช่นนั้นเป็นไปเองตามที่ให้เป็นเช่นนั้นในวงเล็บความเป็นความจริงความแท้ซึ่งเป็นแล้วเช่นนั้นเป็นไปเองตามที่ให้เป็นได้นั้นเป็นเช่นนั้นเองแน่แล้วถึงขั้นมั่นใจว่าเที่ยงแท้ในวงเล็บนิดจัง ยั่งยืนในวงเล็บทุวงังตลอดกาลในวงเล็บสัตตังไม่แปลเป็นอื่นแล้วในวงเล็บอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้ในวงเล็บอสังฮีรังไม่กลับกําเริบในวงเล็บอสังกุปปังจึงสามารถมั่นใจได้ถึงส่วนอนาคตในวงเล็บอ ป, ปรันตาแม้อนาคตคือภาวะที่ยังไม่เกิดยังไม่มาถึง ยังมาไม่ถึงยังไม่เห็นเลยก็ตามก็สามารถแน่ใจยิ่งปักใจมั่นได้อย่างฟันขาดสุดแท้เพราะสามารถรู้ได้จากผลธรรมที่ได้สะสมลงเป็นส่วนอดีตในวงเล็บปุพันตากับผลทุกปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติเป็นสัจยานกิจยานว่ากิเลสาสาะมันดับสนิทเกลี้ยงเป็นศูนย์ อย่างมีตถาตาในวงเล็บความเป็นจริงความแท้ในวงเล็บความเป็นความจริงความแท้ซึ่งเป็นแล้วเช่นนั้นเป็นไปเองที่เป็นเองนั้นอัตโนมัติเป็นเช่นนั้นเองทุกตัทตาล้วนเป็นศูนย์อย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดกาลไม่แปรเปลี่ยนแล้ว ไม่มีอะไรหักล้างได้แล้วไม่กลับกำเริบอีกจริงจริงจะปฏิญญากับตนเองได้ว่าสัจจะครบสมบูรณ์ได้กิจได้ปฏิบัติกิจได้ปฏิบัติมาครบบริบูรณ์ก็สามารถตัดสินได้ด้วยจิตที่เป็นกตา ย, ยานเป็นที่สุดว่า กิเลสสสาะของเรานั้นศูนย์สนิทเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดกาลจบฉบับที่287ด เราได้พูดผ่านมาบ้างแล้วทั้งความเป็นธรรมอันหมายถึงสิ่งที่ทรงไว้เป็นแกนชีพหรือเป็นสมบัติหรือเป็นคุณค่าในตัวเราและทั้งที่เรียกว่าอธรรมอันหมายถึงความตกต่าของสิ่งที่ทรงไว้เป็นแกนชีพในตัวเรานั่นแลคือความเสื่อมของเราหรือความตกต่าลงชั่วลงเลวลงไม่เจริญขึ้นคาว่าอะ ที่แปลว่าไม่ซึ่งจะไม่ใช่หรือไม่มีหรือไม่เป็นไม่ได้อะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นการลบค่าของสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อเติมอะในวงเล็บไม่เข้าไปในคำว่าทำจึงทำให้ความเป็นธรรมที่บริบูรณ์นั้นพร่องลงไปทันทีแม้จะไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นเล็กน้อยเท่าใดก็ตามก็คือ ธรรมนั้นไม่ใช่ความเป็นธรรมหรือไม่มีความเป็นธรรมที่เต็มสภาพของธรรมนั้นใช่ไหมความเป็นธรรมแท้ๆจึงหมายถึงความเต็มของความดีความมีความเป็นความควรหรือความบริบูรณ์ความสมบูรณ์เต็มที่ของภาวะนั้นๆจะว่าเป็นความเต็มของความไม่ดีก็มีความไม่อยู่นั่นแหละ จึงไม่ใช่ธรรมซึ่งเมื่อเป็นกายก็หมายความว่าเป็นองรวมหรือองประชุมถ้าเป็นธรรมสูงสุดก็เรียกว่ากายแห่งธรรมหรือธรรมกายและกายแห่งพรมหรือพรมกรพรมกายเป็นต้นธรรมกาย หรือพมกาย น, น, นั้นเป็นองค์รวมหรือองค์ประชุมที่เป็นธรรมหรือเป็นพรมสมวัณฑ์ตัวเราที่เต็มเตมและมันจะแสดงออกโดยการปรากฏทางกายกรรมวจีกรรมซึ่งมีน โ, นโนเป็นประธานตัวจริงผู้ก่อให้เกิดกรรมทุกการเคลื่อนไหวขององค์ประชุมเป็นกิริยาทุกอย่าง ซึ่งมีได้ทั้งท่าทางทั้งคำพูดและทั้งสุ้มเสียงสำเนียงรวมทุกอิริบทอยู่พร้อมๆกันหรือองค์ประชุมแห่งวาจาเท่านั้นไม่มีท่าทางอย่างเป็นได้จริงตามที่พระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้คือมโนปุพังคมาธรมรมามโนเศษฐามโนมายาผู้มีภูมิธ ผู้มีภูมิปัญญาพอที่จะรู้จริงเห็นได้จริงก็สามารถสัมผัสรู้หรืออย่างรู้ได้จริงอยู่เสมอหรือตามโอกาสธรรมกายหมายถึงองค์ประชุมของธรรมในตัวเราที่จเจริญถึงขั้นความสําเร็จเต็มของธรรมนั้นๆในวงเล็บธรรมกายหรือพรหมกายก็หมายถึงองค์ประชุมของธรรมในตัวเรา ที่จะเริญถึงขั้นความสำเร็จเต็มในความเป็นพรหมนั้นๆในวงเล็บพรหมกายความเต็มแต่ละขั้นเต็มในขั้นดับนรกขั้นต่ำสุดที่เรียกว่าอบายของตนก็คือวิมุตตไปได้แต่ละขั้นแต่ละขั้นท่านภูมิธรรมแต่ละขั้นสามารถมีอย่างแข็งแรงมั่นคงจนแน่นอนเที่ยงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ภูมินั้นแล้วและสามารถจะอนุโมอนุโลมไปอุ้มชูช่วยอื่นๆได้ก็เรียกพูดถึงขั้นนี้ว่าอามตะและหากถึงขั้นสูงสุดเป็นที่สุดก็เรียกว่าอารหรันนั่นคือองรวมหรือองประชุมของคุณธรรมต่างๆที่ภาษาบาลีว่ากายของคุณธรรมต่างๆนั้น ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติได้ถึงที่สุดดังกล่าวสำเร็จผลซึ่งเรื่องอันเกี่ยวกับคำว่ากลายนี้จะต้องได้พูดกันอีกยาวเล่มากเพราะกลายคำนี้มันกลายมาเป็นภาษาไทยจนคนไทยได้นิจฉาทิฐิในนิยามเดิมที่สำคัญยิ่งของมันไปเสียสิ้นแล้ว โดยเฉพาะในขั้นปรัมท ธ, ธรรมที่เข้าสู่ความเป็นอริยะหรือโลกุตระอันหมายถึงการไปสู่วมุตต์หรือนิพานกันจริงดังนั้นในการศึกษาพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้เมือม่อนิชชาทิฐิในคำว่ากายแม้คำเดียวนี้แต่เป็นคำสำคัญยิ่งในการปฏิบัติธรรมจึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลจริงกันได้อัตมายืนยันกันขนาดนี้ ซึ่งความเห็นของอาตมานี้นี้จะไม่เหมือนหรือมันค้านแย้งกับความเห็นที่ได้เชื่อถือกันมาเก่าก่อนตามท่านผู้รู้หรือปราชญ์ที่สอนที่บอกต่อๆกันมาเนื่นนานก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งจริงๆแต่มันก็เป็นความจริงตามที่อาตมามั่นใจและจริงใจก็นึกเสียว่าที่อาตมาสาธยายนี้เป็นแบบอาตมาเฉพาะก็แล้วกัน ถ้าอาตมาหลงผิดมันก็เป็นโทษเป็นโมหะบาปของอาตมาเองแน่นอนเรียงไม่ได้ท้าผู้ใดเห็นได้เข้าใจได้เห็นด้วยเอาด้วยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเิดสำหรับผู้ไม่เห็นด้วยก็นึกเสว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในโลกอาตมาก็ขออนุญาตแสดงความเห็นของอาตมาบ้างก็แล้วกันที่อาตมาทำอยู่นี้ไม่ได้เบียดเบียนใคร หรือเย่งลาบยศสันเริญที่เป็นกรรมคุณที่เป็นกรรมสุขและอัตถัตะสุขของใครเลยมีแต่อัตมาชักชวนและพาผู้คนทั้งหลายมาลดละกิเลสที่มันติดลาบยศสันเริญซึ่งที่เป็นกรรมสุขและอัตถัตะสุขอย่างแท้จริงจึงมีแต่การออกจากโลกธรรม อาตมาจึงไม่ใช่คู่แข่งคู่แย่งของใครเพราะความต้องการในวงเล็บตันหามันคนละอย่างจุดประสงค์ที่อาตมาและชาวอาโศกทำอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกจึงคนละทางอยู่แท้ๆอาตมาพาพวกเราต้องการปล่อยวางละล้างการติดยึดลาบยศสนเสริญกรรมสุขอัตถทธสุขออกนอกไป ออกไปเสียด้วยซ้าอัตมาจึงไม่ใช่ทั้งความเป็นคู่แข่งคู่แย่งทั้งไม่ได้เบียดเบียนลาบยศสันเซิญกรรมสุขอัตถะสุขใครเลยไม่แต่น้อยแท้ที่จริงแล้วนั้นยิ่งกลับเป็นการลดหรือหมดคู่แข่งคู่แย่งแก่ผู้ต้องการลาบยศสันเซินกรรมสุขอัตถะสุขอยู่ด้วยซ้นไปคนท้งโลกที่ยังเป็นโล ก, กีนั้น ยังมีความต้องการที่เป็นการในวงเล็บการ ม, มาตัญหาและความต้องการที่เป็นพบในวงเลเ็บภาวะตันหาซึ่งเป็นชีวิตที่ยังแสวงหาและสร้างพบอยู่ครบครันแต่อตมานั้นไม่ต้องการแล้วกามไม่ต้องการแล้วพบจึงเป็นความต้องการไม่มีพบในวงเล็บวิภาะวะตัญหา ที่เป็นเป้าหมายสุดยอดสำคัญยิ่งของชีวิตในการปฏิบัติธรรมอาตมาไม่ใช่คนประหลาดวิตาฐา์ที่กลายเป็นคนพาซื้อแบบคนอีเดียตโมรนที่ไม่มีความต้องการอะไรในองเล็บไม่มีมโนสัญเจตนาในชีวิต <c oughs> ไม่มีมโนสัญเจตนาในชีวิตโดยเข้าใจพาซื้อมาลือทื่อ ที่เป็นคนทำจิตตัวเองให้เป็นคนไม่มีความจงใจมุ่งหมายอะไรโดยตั้งใจไม่คิดเจริญก้าหน้าอะไรกลายเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างตั้งจิตจงใจในวงเล็บสันเจตนาทำจิตใจตนเองไม่ให้ต้องการอะไรไม่ให้คิดอะไรไม่พิจารณาอะไรท่านมาเลยเถิดเลยทงของความเป็นจิตสามัญของคนสามัญไปแล้ว มันเข้าขั้นเมตสามันปกติในความเป็นคนไปแล้วที่ใครก็ตามที่ต้องจิตจงใจไม่ให้จิตมันคิดอะไรก็ตั้งใจทงจิตใจให้มันอยู่เฉยๆนี่นแหละมันคือมโนสันเจตนาอยู่ทนโทษแล้วคนไ ม, ม่มีมโนสันเจตนาหารไม่ได้หรอกมันผิดความเป็นคนไปแล้ว แม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวมันก็มีโมโนสัญเจตนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสตายตัวยืนยันเลยว่ามนุษย์ต้องมีโมโนสัญเจตนาหารกล่าวคือต้องมีจิตที่ตั้งใจหรือจงใจถึงขั้นเรียกว่าตัณหาในวงเล็บความต้องการเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตในจิตอยู่เป็นธรรมดาทุกคนแม้แต่อรหรันจนถึงขั้นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยังมีความตั้งใจหรือจงใจในวงเล็บสันเจตนาสร้างศาสนาของพระองค์ให้เป็นศาสนาขั้นในโลกสร้างศาสนาของพระองค์ให้เป็นศาสนาขึ้นในโลกให้ได้ดังนี้เป็นต้นดังนั้นความมีโมโนสันเจตนาของคนจนถึงขั้นตัญหาจึงต้องมี ในคนเป็นเรื่องปกติสามัญธรรมชาติถ้าใครไม่มีตัณหาหรือไม่มีความตั้งใจหรือความจงใจเป็นเครื่องอาศัยในชีวิตก็ไม่ใช่คนหรือเป็นคนคิดเข้าขั้นวิตถานแล้วมโนสัญเจตนาหานั้นท่านตรัสว่ามีสามคือหนึ่งกามตัณหาในวงเล็บความต้องการกาม และ 2. เพราะว่าตัณหาในวงเล็บความต้องการพบเป็นสามัญของคนที่ยังไม่คิดจะดับกิเลสให้สิ้นพบจบชาติส่วนพี่ส่วนผู้ที่ต้องการจะดับกิเลสให้สิ้นพบจบชาติก็ต้องมีวิภาะวะตัณหาในวงเล็บความต้องการไม่มีพบแต่ทุกวันนี้เข้าใจพุทธธรรมกัน แต่ทุกวันนี้เข้าใจพุทธธรรมกันเพี้ยนผิดไปมากจิงแป ร, ى, รวิภวะตัณหากันไม่สมมาทิฐิซึ่งปกติสามัญคนย่อมมีจิตใจมุ่งหมายเป็นเครื่องอาศัยในองเล็บมโนสัญเจตนาหารให้ชีวิตของตอนดำเนินไปสู่จุดหนึ่งจุดใดอยู่เป็นธรรมดาอย่างน้อยก็ต้องจงใจมุ่งหมายในองเล็บสัญเจตนาความสุข ความสบายหรือจงใจมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตไปสู่ดีขึ้นสัตว์ทุกตัวโดยเฉพาะยิ่งเป็นคนนั้นต้องตั้งใจในวงเล็บสันเจตนาต้องจงใจในวงเล็บสันเจตนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อชีวิตจะได้ดำเนินไปนั้นมันเป็นปกติสามัญของคนจริงๆถ้าคนไม่มีโมโนสันเจตนาหานเลยนั้นมันเป็นไปไม่ได้ จะชั่วคราวมันก็เป็นธรรมดาย่อมทำได้แต่จะให้ตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้อย่าอุตริกันเลยซึ่งอาตมาและหมู่พวกยังมีจิตตั้งใจจงใจมุ่งหมายต้องการกำจัดการมาพบก็ไม่ให้มีพยายามศึกษาให้สัมมาทิฏฐิรูปประพบก็ไม่ให้มีและอรูปประพบก็ไม่ให้มีเป็นที่สุดให้ได้สำเร็จจริง เสร็จแล้วก็มีโมโนสัญเจตนาหารทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อในวงเล็บพระหุชนาฮิตายะเพื่อทำความสุขให้แก่มวลมนุษย์ในวงเล็บพระหุชนะสุขายะอนุเคราะห์โลกในวงเล็บโลกานุ ก, กรรมปายะต่อจนไม่มีพบในวงเล็บวิภาวะครบดับสิ้นทุกพบจบปรินิพานเป็นปริโยสารไปน่นแหละ ชีวิตและพฤติกรรมของอาตมาและหมู่พวกที่ดำเนินชีวิตต้องการดังกล่าวนี้และตั้งใจภาคเพียรปฏิบตัติตามนี้ดังนั้นชีวิตเช่นดังกล่าวนี้จึงแทนที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ยังต้องการสแสวงหาลาบยศสรนเริญกรรมมาสุขอัตถทัทธสุขอยู่กลับเป็นประโยชน์แก่เขาทั้งหลายผู้ต้องการแสวงหาลาบยศสรนเรินกรรมมาสุขอัตถทัทสุขอยู่ได้ซ้ำไป เพราะเราชาวอาโศกทั้งหลายนั้นแต่ก่อนก็คือคนเคยต้องการลาบยศสันเสริญกรรมสุขอัต ถ, ถัสุขและเคยเป็นคู่แข่งเคยแข่งแย่งลาบยศสันเสริญกรมสุขอัต ถ, ถัสุขอัต ถ, ถัตสุขจากสังคมในสังคมมาแล้วเช่นกันซึ่งบัด น, นี้เราก็ได้พากันลดละเลิกออกมาจากการแข่งแย่งจากสังคม แล้วกลายมาเป็นผู้พากันสร้างสรรด้วยจิตด้วยใจที่ฝึกฝนรู้จักพอเพราะกิเลสลดหรือดับความต้องการนั้ น, น, นได้ไปตามลำดับในวงเล็บสันโดษเมื่อกิเลสลดลงลดลงจิตใจก็ไม่โลภมากไม่มกักมากจึงเป็นคนมักน้อยแนวงเล็บอภิชฉะกล้าจนแนวงเล็บอปิชฉะ แม้ตนจะมีน้อยใช้น้อยกินน้อยก็ได้ด้วยใจมันพอแล้วโดยไม่ได้เสียสุขภาพเลยไม่ได้ทรมานตนเลยมีแต่สงบสบายไม่สุขไม่ทุก ข, ข์ในวงเล็บอทุกขม ส, สุขอสังสักะไม่สะสมในวงเล็บอปัจญะภาคเพียรขยันอยู่เสมอในวงเล็บวิริยารมภะ เมื่อเราพึ่งตนเองได้เลี้ยงตนรอดแล้วมีสิ่งกินสิ่งใช้อาศัยเพียงพอมีส่วนเหลือส่วนเกินเราจึงย้อนกลับเข้าไปอนุเคราะห์สังคมนำส่วนเหลือส่วนเกินไปช่วยสังคมด้วยระบบบุญด้วยระบบวิธีบุญนิยมซึ่งได้แก่การเสียสละแก่สังคมแท้ๆไม่มีเลขข่กลจะเสีย จะสละได้มากหรือน้อยตามฐานานุฐานะตรงกับหลักสำคัญคือขาทุนของเราคือกำไรของเราเอาลอสอีสอาเกณตามที่ในหลวงของไทยรัชกาลที่9มีกระแสดำรัดขออภยัยมีพระราชดำรัสให้แก่สังคมโลกไว้ แทนที่เราจะเป็นคู่แข่งคู่แย่งของสังคมเรากลับเป็นผู้ช่วยเรากลับเป็นผู้เข้าไปเป็นประโยชน์ เ, นชนเกื้อกูลผู้อื่นหรืออนุเคราะห์สังคมด้วยซ้ำซึ่งกระซึ่งก็ตรงตามอุดมคติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผูุ้ชนะหิตายะพระุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะซึ่งเราทำได้เป็นผลสำเร็จบ้างแล้วพอสมควร ยังไม่ดีเลิศอะไรหรอกดังที่สังคมชาวอาโศกมีได้เป็นได้และดำเนินชีวิตไปกับสังคมก็หงเห็นกันได้ว่ามีวัฒนธรรมแห่งความดำรินึกคิดที่สัมมาหรือประกอบไปด้วยคุณธรรมตรามตามพฤติภาพที่เป็นจริงเท่าที่ชาวอาโศกเป็นได้นั้นในองเล็บสัมมาสังกัปปะ มีวัฒนธรรมแห่งการพูดการจาที game, the ่สัมมาหรือประกอบไปด้วยคุณธรรมตามพฤติภาพที่เป็นเท่าที่ชาวอโศกเป็นได้จริงนั้นในองเล็บสัมมาวาจามีวัฒนธรรมแห่งพฤติกรรมทั้งหลายหรือการงานที่สัมมาหรือประกอบไปด้วยคุณธรรมตามพฤติภาพที่เป็นจริงเท่าที่ชาวอโศกเป็นได้นั้นในองเล็บสัมมากัมมันต มีวัฒนธรรมแห่งอาชีพที่สัมมาหรือประกอบไปด้วยคุณธรรมตามพฤติภาพที่เป็นจริงเท่าที่ชาวาโสกเป็นได้นั้นในองเล็บสัมมาอาชีพนี่คือผลธรรมที่มนุษย์รมนี่คือผลธรรมที่มนุษย์นี่คือผลธรรมที่มนุษย์พึงทำได้จริงตามทฤษฎีหรือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่อาตมาเชื่อมั่นและภาคภูมิใจว่าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากอารหันต์ซึ่งมีตั้งแต่อรหันต์ในความเป็นโสดาบันและอรหันต์ในความเป็นสกิทาคามีออรหันต์ในความเป็นอนาคามีที่สุดอรหันต์ในความเป็นอรหันต์ส่วนอรหันต์ในความเป็นโพธิสัต์นั้นก็ไม่ใช่อรหันต์ของตนอีกแล้วมีแต่เพิ่มอรหัตตะ ที่เป็นในผู้อื่นเพิ่มรู้ยิ่งขึ้นสะสมเป็นสัมมาสัมพุทยานไปเรื่อยๆเอาละทีนี้เราก็มาพูดถึงความเป็นกายกันต่ออาตมายืยนยันอีกนะว่าถ้าใครยังมิฉาทิฏฐิในคำว่ากายกันอยู่กำหนดหมายในวงเล็บสัญญาความเป็นกายผิดไปจากสัจจะตามที่พระพุทธเจ้าทรงนิยามไว้แท้แท ก็แน่นอนว่าไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลายคนอาจจะแย้งอธตมาว่าทุกวันนี้มีผู้ปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันอยู่นี่ก็ขอยืนยันว่านั่นมันมิชาผลมันไม่ใช่อรหันแท้นั่นแค่อรหันเก้ถ้าบรรลุพุทธธรรมจริงก็จะรู้จัก รู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายสัมมาทิฐิแท้ตรง ก, กันกับที่อัตมา ก, กาลังสาธยายนี้แน่นอนตรงกันหมดทุกคำนั่นแหละเพราะกายคำนี้บง่งบอกสภาวะธรรมหยาบกลางละเอียดที่ผู้ศึกษาจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงหรือรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริ ง, รงนั้นๆสูงสุดก็จะต้องพ้นความไม่รู้ในงเล็บอวิชชาที่เหลือหรือหมดสิ้นความลับ ในองเล็บอระหะที่เหลือสุดท้ายกล่าวคือต้องผ่านความไม่รู้ในองเล็บอวิชชาขั้นมีวสัญญานาสัญญายตนะภูมิผู้มีเป็นผู้มีความรู้ยิ่งยอดในองเล็บพ้นอวิชชาสวะเป็นวิชาสูงสุดในตนเองจึงจะได้ผ่านภูมินี้ขึ้นเป็นอรหันต์คือรู้ชนิดที่แจ้งในวงเล็บสัจจิในความเป็นนิโรธ ซึ่งเป็นนิโรธที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยเฉพาะของพระองค์เองเรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธมีในพุทธศาสนาที่สัมมาทิฐิเท่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสำทับไว้ในอริย ส, สัจสีว่านิโรดนี้ต้องทำให้แจ้งในวงเล็บสัจฉิซึ่งผู้ปฏิบัติต้องสัมมาทิฐิจริงๆว่าอัน พึงทําให้แจ้งวงเล็บสัจฉิกัตตพะนั้นแจ้งโวในวงเล็บสัจฉิคํานี้มันควรเป็นภาวะที่แจ้งในวงเล็บสัจฉิอย่างใสอย่างปรากฏหรือควรเป็นภาวะที่ดําในวงเล็บกินนะฮะอย่างมืดอย่างไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเลยผู้ปฏิบัติที่บรรลุภาวะแห่งความดับในวงเล็บนิโรธกําลังบรรลุนิโรธเองอยู่นั้น ควรรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความดับเนงเล็บนิโรดนั้นอย่างปรากฏภาวะเห็นแจ้งอยู่ทนโทษหลัดด้วยธาตรู้ของตนเองหรือควรจมอยู่กับความดับเนงเล็บนิโรดในขณะที่กําลังบรรลุนิโรดเองอยู่โดยตนเองไม่รู้ไม่เห็นแจ้งความดับเนงเล็บนิโรดนั้นของตนในตนเลยต า, ตามที่พระตามที่พระพุทธเจ้าตรัส อย่างในตรงก็ใช้วิจารณญาณหรือไหวพริบของแต่ละคนตัดสินดูเถิดน่าจะพอใช้ปัญญาตัดสินได้แล้วใช่ไหมว่าอย่างในมิจฉาทิฏฐิอย่างในสัมมาทิฏฐิสัญญาเวทยิตนิโรดนี้เป็นภูมิขั้นสูงสุดเป็นโลกุตรรธรรม9ขั้นที่9แม้จะนับเป็นโลกุตตรธรรม46ที่ปฏิบัติโพธิปัจิยธรรม37 ก็จะบรรลุไปตามลำดับก็เป็นขั้นที่46ปลายสุดอีกเช่นกันซึ่งเป็นภูมิสุดท้ายหรือเป็นความรู้ในวงเล็บวิชาขั้นสุดยอดแห่งความรู้ยิ่งที่พ้นทุกอริยรสัจสมบูรณ์ในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม31ข้อ620ซึ่งเป็นนิโรธขั้นสุดแห่งที่สุดอันพึงทำให้แจ้งในวงเล็บสัฉิกทัพในวงเล็บ สัจฉิกัตถะจึงจะชื่อว่านิพานผู้บรรลุสัญญาเวทยิตในิโรธแล้วได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความดับสูงสุดจริงในตนรู้ได้ด้วยตนเองแท้จึงจะรู้จริงแท้ว่าภาวะแห่งความหมดสิ้นอวิชชาสวะพ้นความไม่รู้ในวงเล็บอวิชชาจนสิ้นอาสวะ เกลี้ยงสนิทเป็นที่สุดนั้นมันเป็นเช่นนี้เองในวงเล็บตัฐตาเป็นผู้เป็นผู้ไม่มีอะไรลึกลับในวงเล็บอระหะแล้วสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นนิโรธแบบพุทธโดยตรงมีจริงในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นศา ส, สนาอื่นใดไม่สามารถมีได้แม้แต่ชาวพุทธเองที่ไม่สัมมาทิฏฐิแท้จริงก็ไม่สามารถมีนิโรธชนิดนี้ได้ เพราะเมื่อผู้ใดทำนิโรธได้ตั้งแต่เป็นครั้งแรกก็ทาให้ก็ให้ทำทวนอีกตามที่เคยทำสำเร็จเพราะเมื่อผู้ใดทำนิโรธได้ตั้งแต่เป็นครั้งแรกก็ให้ทำทวนอีกตามที่เคยทำได้สำเร็จนั่นแหละปฏิบัติทวนซ้าแล้วซ้าอีกทำความดับเช่นนี้ ทำความดับเช่นที่ได้ทำความดับเช่นที่ทำได้นี้เองทวนอีกทวนอีกทวนอีกทวนอี ก, อ ก, อก เ, อเรียกว่าปฏินิสระทำให้มากในวงเล็บพหุลีกรรมังชื่อว่ารักษาผลธรรมในวงเล็บอนุรักษณาประทานด้วย เป็นการสั่งสมอนเนจชาพิสังขารในวงเล็บการปรุงแต่งอันไม่หวั่นไหวให้บริบูรณ์ให้สำมบูรณ์ด้วยนี้คือการปฏิบัติมโนปวิจารสามในวงเล็บเคหสิตตะเวทนา18กับเนค ม, มะสิตตะเวทนา18ให้บรรลุผลสูงสุดทั้ง3การในวงเล็บ อ, อดีต36ปัจจุบัน36อนาคต36 กระทั่งบริบูรณ์ด้วยเวทนาร้อยแปดจนพ้นอวิชาสวะแปดในข้อที่เจ็ดได้แก่บรรลุหลุดพ้นความไม่รู้ทั้งส่วนอดีต ท, ทั้งส่วนอนาคตในองเ ล, ล็บปุพพันตาปรันเตอัญญานังซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เกิดผลวิมุต ทั้งสองส่วนในวงเล็บอุปโตภาคคือทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ในทุกๆปัจจุบันหมายความว่าเจโตซึ่งได้แก่จิตนั่นเองสามารถทำให้กิเลสดับสมาเร็จซึ่งก็คือทำสัญญาเวทยิตนิโรดนั่นเองอีกอีกอี ก, อกเท่ากับสั่งสมผลความดับในวงเล็บนิโรธแบบพูดลงไปในจิต ชนี้เป็นผลของจิตฝ่ายเจโตที่ชำนาญช่ำชองเจริญทวีขึ้นได้ไปเรื่อยๆนั่นคือทุกปัจจุบันอาการผู้ประพฤติปฏิบัติก็สามารถทำให้กิเลสเป็นศูนย์สำเร็จทุกอดีตการผู้ประพฤติปฏิบัติสำเร็จก็สั่งสมความศูนย์จากกิเลสนั้นตกผึกลงลงไปผนึกอยู่ในจิต เกิดความควบแน่นยิ่งยิ่งขึ้นในจิตเป็นส่วนอดีตจึงเป็นความแนบแน่นในวงเล็บอัปปนาแล้วก็ยิ่งทวีขึ้นเป็นความแน่วแน่ในวงเล็บพยั ป, ปนากระทั่งทวีขึ้นที่สุดเป็นความปักมั่นในวงเล็บเจตโซอภิณิโรปนาเท่ากับสั่งสมผลแห่งความดับในวงเล็บนิโรธแบบพุทธลงไปในจิตจนกระทั่งนิโรธในจิตผู้ปฏิบัตินั้น เป็นภาวะยั่งยืนตลอดกาลไม่แปลเปลี่ยนอีกแล้วไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกำเริบจึงเป็นความเที่ยงในวงเล็บนิจังของนิโรธที่สามารถทำได้สำเร็จจริงแท้แน่นอนก็เป็นการเจริญพัฒนาปฏิภาคทวีของความเป็นนิโรธทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นด้วยประสิทธิภาพของภาวะที่ยั่งยืนในวงเล็บทุวังภาวะที่นิรันในวงเล็บสัตตังภาวะที่ไม่แปรเปลี่ยนในวงเล็บอวิปรินามธรรมังภาวะที่อะไรมาหักล้างไม่ได้ในวงเล็บอสังหีรังภาวะที่ไม่กลับกําเริบอีกแล้วในวงเล็บอสังกุปปังสู่ภาวะที่เที่ยงในวงเล็บนิจังได้แท้ อย่างเป็นจริงคือกิเลสเป็นศูนย์ไปตามลำดับแห่งการทั้งสามการส่วนนี้หมายถึงองค์ธรรมทั้งสามของสังกัปปะเจ็ดได้แก่อปปนาพยา ป, ปนาเจตโสอภินิโรปนาสังสมผลที่สามารถทำกุศลแต่จิตนั้นๆให้ดับเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นซึ่งมีคุณนิธิซึ่งมีคุณนิธิในองเล็บ คลังแห่งความดีที่นิโรธแบบอุตระในวงเล็บคลังแห่งความดีที่เป็นนิโรธแบบโลกุตระสูงและมากขึ้นไปกับการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่มีผลได้แล้วนั่นเองนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นซึ่งได้แก่ปัญญาก็รู้ร่วมไปด้วยทุกสภาวะแห่งความจริงตามความเป็นจริง ที่ทําได้ผลสําเร็จนั้นไม่ว่ามรรหรือผลเรื่องเจริญดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเป็นญาณที่เจริญปฏิสัมพิทาซึ่งมีคุณราศีในวงเล็บคุณธรรมที่มีนั้นๆต้องมีมากจนแผ่พลังออกไปให้ผู้อื่นสัมผัสได้สูงและมากขึ้นไปกับการที่ได้ประพฤติปฏิบัติ ตามที่มีผลได้แล้วนั้นส่วนนี้หมายถึงองค์ธรรมทั้งสามของสังกปะเจได้แก่ต ก, กะวิต ก, กะสังกปะซึ่งมีปัญญาได้สั่งสมความเจริญเป็นผลแห่งการร่วมรู้ร่วมรู้อะไรก็ร่วมรู้ที่สัมมามักและสัมมาผลในความสามารถทากิจในองเล็บเกิดกิจยานปฏิบัติให้ ปฏิบัติให้อากุสลจิตนั้นๆดับในองเล็บนิโรธได้เป็นความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นชนี้เป็นผลของจิตฝ่ายปัญญาที่ฉลาดเฉลียวขึ้นเป็นญาณขั้นอัญญาในองเล็บความรู้แจ้งแบบพิเศษแบบโลกุตระเจริญทวีขึ้นได้ไปเรื่อยๆทุกปัจจุบันการที่ปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติได้รู้จัก รู้แจ้งรู้จริงความจริงมีความจริงทั้งรูปทั้งนามที่ได้สัมผัสมาตลอดอันครบพร้อมองประชุมในองเล็บกายของความจริงแห่งรูปและนามครบพร้อมตลอดเวลาที่ผู้รู้ได้ประพฤติเองมีมักมีผลสัมผัสเองจริงทั้งนั้นจึงครบทั้งกิจครบทั้งยานนี้คือ การบรรลุเป็นที่สุดของกิจยานอันสามารถทำกิเลสให้เป็นศูนย์ได้สำเร็จอย่างมีผลสมบูรณ์ถึงที่สุดแห่งที่สุดมันใจได้ว่าเที่ยงแท้ในวงเล็บนิจจ์แน่นอนย่งแน่นอนยิ่งแล้วดังนั้นอนาคตการในจิตของคนผู้มีคุณวิเศษนี้จิตก็ต้องเป็นศูนย์อย่างแน่นอนเด็ดขาดแล้วจริงด้วยประกาด้วยประกาักาชนี การปฏิบัติเช่นนี้เองคือการทำกิจอันยิ่งใหญ่หรือทำกิจอันพิเศษนั้นทัพทวีขึ้นเรียกในภาษาศัพท์ว่าอภิสังขารการ การปฏิบัติเช่นนี้เองคือการทำกิจอันยิ่งใหญ่หรือทำกิจอันพิเศษนั้นทับทวีขึ้นเรียกในภาษาศัพท์ว่าอภิสังขารกล่าวคือปฏิบัติกล่าวคือปฏิบัติอริยสัจ4ี่ได้สำเร็จมรรคผลสำเร็จถึงขัน้นเอเนจชาอภิสังขารในองเล็บสร้างความมีอำนาจไม่หวั่นไหวต่อกิเลสต่อปัจจัยที่ให้เกิดกิเลสเป็นที่สุด เพราะได้ปฏิบัติสังสมอนินชาในองเล็บความไม่หวั่นไหวโดยการปฏิบัติซ้าทวนให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในความไม่หวั่นไหวให้แก่จิตตนเองสั่งสมผลธรรมลงเป็นความตั้งมั่นของจิตที่เรียกกันด้วยศัพติดปากว่าสมาธิก็ต้องเรียกว่าสัมมาสมาธินี้แหลเพราะทุกปัจจุบันที่ดำเนินชีวิตปกติได้ เพราะทุกปัจจุบันที่ดำเนินชีวิตปกติก็ได้ทากิจคือประพฤติปฏิบัติตามพุทธวิธีที่สัมมาทิฐิและสัมฤทธผลมาตลอดนั่นแหละด้วยการทำให้มากในวงเล็บพหูรีธรรมังในวงเล็บพหูลีกรรมังมาอยู่เรื่อยๆกระทั่งสามารถสังสมผลแห่งเนคขาสิ ต, ตะอุเบคาเจริญองค์หในวงเล็บปริสุทธา ปริโยธาตามุทุกรัมรมัญญาปภัสราเกิดผลสูงขึ้นสูงขึ้นไปตลอดปัจจุบันการที่ประพฤติปฏิบัติและเจริญสังขารุปเปขายานกิเลสเป็นศูนย์ทุกปัจจุบันที่ประพฤติปฏิบัติจนสะสมผลมากพอว่าเที่ยงยั่งยืนตลอดกาล ไม่แปรเปลี่ยนไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกําเริบ ม, มีความรู้ในองเล็บยานในการประพฤติปฏิบัติในองเล็บกิจนั้นไป็นตลอดสายเป็นความรู้ที่เรียกว่าคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์เพราะคนผู้นี้ได้บรรลุผลทำขั้นสูงสุดแล้วหรือจะกล่าวว่าเป็นการตรวจสอบปรามตรธรรมครบวิโมกแปดด้วย รู้ตรวจสอบปรมัธิธรรมด้วยอนุปุพิวิหารเก้ามาตลอดก็ได้ทั้งนั้นก็ได้ทั้งสิ้นกระทั่งมีผลจิตตั้งมั่นอย่างเที่ยงแท้ในองเล็บนิจังยั่งยืนในองเล็บทุวังตลอดกาลในองเล็บสัตตังไม่แปลเปลี่ยนเป็นอื่นในองเล็บอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรมาหักล้างคุณสมบัตินี้ได้ในองเล็บอสังฮีรังไม่กลับกำเริบในองเล็บอสังกุปปัง ซึ่งต้องปฏิบัติวิญญาณถีติเจตอย่างช่าชองถึงที่สุดรู้จักรู้แ จ, จ้งสัตารวาสก้าครบครันสูงสุดกระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จรจิงความเป็นกายด้วยสัญญาที่สมมธิทิฐิบริบูรณ์กายสุดท้ายที่เสกบุคคลจะต้องรู้ของตนในตนคือความดับในวงเล็บนิโรธชนิดที่เป็นนิโรธในวงเล็บความดับ สำสเร็จได้ซึ่งต้องรู้กันอย่างแจ้งตามที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดเจนว่าสัจฉิในวงเล็บแจ้งใสไม่ใช่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันอยู่แค่นิโรธชนิดที่ดับจิตตนเข้าไปหมดสิน้นความเป็นธาตรู้ให้มันเป็นภาวะที่ดับดำมืดในวงเล็บกินหะ เหมือนอย่างความเป็นกายปัสสธิของพรหมที่ชื่อว่าสุภกินนาหาต า, หตามคำตำรัดของพระพุทธเจ้าที่ทรงยกตัวอย่างไว้ในสตาวาส9หรือวิญญาณทีติเจข้อสีเท่านั้นแต่นิโรธหรือความดับชนิดพิเศษที่เป็นของพระพุทธเจ้านี้เมื่อทำให้ดับได้แล้วในจิตตนตนมีการรู้ภาวะของ ตนจะมีการรู้ภาวะที่ตนกําลังมีความดับนั้นอยู่หลัลๆต้นๆเลยทีเดียวและการรู้ความดับในวงเล็บ น, นิโรดนี้รู้ชนิดที่สัมผัสเห็นปสติวงเล็บในวงเล็บปสติความเป็นนิโรดที่ตนทาได้นั้นด้วยจักษุปยายาัญญาญาณวิชาแสงสว่างตามที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้มีมากมาย เนวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ24 27เิเล่ม18ข้อ4 4 0ริเล่ม31ข้อ6 0 0ถึง619เป็นต้นซึ่งต้องมีการรู้ชนิดตาในวงเล็บจักสุสัมผัสเหตุปัจจัยภายนอกอันพาให้เกิดกิเลสได้เช่นตาก็สัมผัสรูปใดรูปหนึ่งอยู่ โดยมีจักษุหรือตาที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุมซึ่งอยู่ในความเป็นกายความรู้ก็มีรู้ในองค์ประกอบนั้นๆอยู่ด้วยตาที่ทำงานเห็นเหตุปัจจัยต่างๆเป็นปกติชีวิตสามันที่ลืมตาตื่นอยู่ไม่ใช่หลงหรือหลับตาเข้าไปอยู่ในผวังความรู้ที่รู้ในองค์ประชุมนั้นๆอยู่ชนีเองคือปัญญา และมีความรู้ยิ่งที่เรียกว่าญาณเพราะเป็นความรู้ที่ได้ศึกษาฝึกฝนมาเนือวิสัยสามัญของปุถุชนเขารู้ซึ่งความรู้ที่เรียกว่าวิชาที่ได้พ้นอวิชาตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะท่านต้องยืนยันว่าขณะที่มีนิโรดนั้นมีอย่างครบครันด้วยแสงสว่างเพื่อยืนย็นเพื่อเพื่อยืนยันกันให้ชัดว่า ต, ต่างจากขณะที่มีนิโรธแบบที่ไม่ใช่พุทธจึงจะเป็นนิโรธที่ทําให้แจ้งในวงเล็บสัตยฉิไม่ใช่ทําให้ดําในวงเล็บกินอหาแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ว่าแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ว่านิโรธในวงเล็บความดับของพุทธไม่ได้หลบหรือหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังแต่เป็นนิโรธชนิดเวที แต่เป็นนิโรธชนิดสัญญาเวทยิตะนิโรธที่เห็นแจ้งในองเล็บสัตชิแจ้งอย่างไรก็แจ้งแบบมีจักษุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างมันรู้แจ้งเห็นจริงกันจริงๆมันก็แตกต่างจากไม่แจ้งไงชัดไหมเห็นว่ า, าเห็นว่าอากุศลจิตหรือกิเลสมันดับไปแตกต่างจาก แตกต่างกันกับอีกภาวะหนึ่งไม่ใช่พุทธแบบหลับทวารแตกต่างกันแตกต่างกันกับอีกภาวะหนึ่งไม่ใช่พุทธแบบหลับดับทวารทั้งหกทำนิโรธในองเล็บความดับให้ตนเองดำมืดในองเล็บกินนะฮะหลับไม่รู้อะไรเลยดับมืดดำไปหมดไม่มีจักษุปยายาัญญาญาณวิชาแสงสว่าง ให้รู้ใดๆกันเลยภาวะที่นิโรธอยู่นั้นมันมืดดำอย่างไรยังไม่มีธาตุรู้ตัวไหนสัมผัสรู้ได้เลยเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรกันจริงๆเลยไม่รู้อะไรกันเลยจริงๆต้องดำต้องทำความเข้าใจกันอย่างชัดๆคมๆในเรื่องของนิโรธที่เป็นสัญญาเวทยตตะ ต้องทำความเข้าใจกันอย่างชัดๆคมคมในเรื่องของนิโรธที่เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธแบบของพระพุทธเจ้ากับนิโรธทั่วไปที่ไม่ใช่นิโรธแท้ของพุทธนั้นแม้จะมีสัญญาอย่างเดียวกันคือกำหนดหมายอย่างเดียวกันว่าดับหรือดับทุกข์ไม่มีทุกดับคืออกุศลภาวะนั้นไม่มีแล้วนั่นก็คือความดับในองเล็บนิโรธมีในองประชุมในองเล็บกายนั้น แล้วในขณะนั้นซึ่งได้แก่ความดับอารมณ์ทุกข์ในองค์ประชุมในองเล็บกายขณะนั้นความไม่มีอารมณ์ทุกข์หรือความรู้สึกทุกข์ในขณะนั้นนั่นคือกายหรือองค์ประชุมของรูปนามในขณะนั้นมันไม่ทุกข์เลยนี่คือกายอย่างเดียวกันทั้งของแบบมิจฉาทิฏฐิและของสัมมาทิฏฐิแต่มันมีเนยะแห่งสภาวะ ธรรมที่เป็นกายสําคัญยิ่งซึ่งไม่ใช่วิสัยที่จะคาดเดาได้แต่มันมีนัยยะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกายสําคัญยิ่งซึ่งไม่ใช่วิสัยที่จะคาดเดาเอาได้ด้วยตักกะในวงเล็บอตตกาวั จ, จราจริงๆถ้าไม่สามารถสัมผัสวิโมกข์แปด้วยกายสําเร็จอิริยบทอยู่ทั้งอสวะของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญา ก็ไม่ชื่อว่าบรรลุสูงสุดเป็นสัญญาเวทยิตสูงสุดเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธอันเป็นสภาวะที่อรหันได้สัมผัสด้วยตนจึงจะต้องเรียนรู้กายกันตั้งแต่คำว่าส ก, กายะที่เป็นอัตตาตัวแรกไปเลยทีเดียวที่ตนเองต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าคือตัวตนในวงเล็บอัตตา ภาวะธรรมขั้นต้นของการพิสูจน์ยานอย่างรู้พุทธธรรมซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อแรกในสังโยชน์สิบเลยก็ว่าคืออย่างไรและปฏิบัติยืนยันอธิบายได้ชัดเจนว่าสภาวะอย่างไรขณะใดชไหนคือการพ้นสกยทิฐิสังโยชน์อีกทั้งกายในที่อื่นๆก็ต้องอธิบายสภาวะของธรรมนั้นๆได้ชัดเจนเช่นกาย ในวิญญาณทีติเจหรือสัตวาก9และคําว่าสัมผัสวิโมก8ด้วยกายหรือแม้แต่คําว่ากายยสังขารกายยปัตสิกายปัศธิกายยสัมผัสกายยานุปัสนากายกรรมอัญยุตาหรือแม้แต่คําว่ากายสังขารกายปัศธิกายสัมผัสกายยานุปัสนา กายกรรมมัญญาตาในวงเล็บจบฉบับที่288